ที่และทางก็10กิโลนิดหน่อยพวกเราที่เดินมาตั้งแต่วันแรกหรือว่าเดินมาสัมรัสวัน10กิโลนิดหน่อยนี่ก็ถือว่าเล็กน้อยหรือว่าธรรมดาถ้าเื่น ก่อนหน้านี้ที่เราไม่เคยมาเดินจจะรู้สึกว่าระยะทางขนาดนี้มันไกลพอดูแต่ว่าหลังจากที่เราเดินมาแล้วบางวันก็เกือบ0กิโลเมื่อวันี้ก็สิ1กิโลระยทางวันนี้ก็กล า, นนกกาเยเป็นเดึงจิตกจ๊อยไ เรียกว่าการที่เราเดินกับเดินมาหลายวันไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรกับการเดินหรืรหว่าเดินแต่ว่าสิ่ง่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนคือว่ามันทำให้เราคุ้นเคยกับระยะทางที่ไ ก, กลๆ5กิโล10กิโลนี่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ถ้าเราไม่มีประสบการณ์เมื่อ ก, ก่อนนะแม้แต่สองสามกิโก็ถือว่ากลโดยเพราะเวลาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในเมืองเราไม่ค่อยจะได้เดินกลๆเท่าไหร่มีรถมีอาหารละแค่เดินจากแค่จากปักซอยเนะข้ามาในบ้านของเราที่อยู่ในซอย แต่รอนมตถ้ามีมอเตอร์ไซค์ไม่มีพาห น, น ะ, ะ, ะบบนี่เราก็หมดเลยโอ้ยทาไมอยู่ลึกๆเกินแ้อยเมก็ไม่อยากจะเดินลวซึ่เดินไม ห, หยิ่งแดด้อนๆตอนบ่ายๆด้วมันดูช่างไกลด้ยเเดินไปก็ทุกไปมีระทางแค่ไม่ถึงกิโลนี่แหละแต่ตอนนี้นะ เกิโลสิกิโลการเรื่องธรมรมดาคือการเรื่องจิตใจเลยนะเพราะว่าเราเคยเดินไกลกว่านี้มาแล้วย่าไม่ว่าเราจะรู้สึ ก, กอย่างไรระหว่างการเดินนะช่วงสองสมัยที่ผ่านมาสิ่งที่ชื่อทุกคนจะได้ก็คือได้รับภูมิกุ้มกัน ปูคุ้มกันต่อความทุกข์ต่อความยากลำบากมันทำใ่าเราเไม่ไม่ยันไม่หวัดเกรต่อพยะทางที่เป็นไกลเป็นสิบโลหรือว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นระหว่างดี แใจเรานะจำเป็นต้องมีนะผูกคุ้มกันความทุกข์เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานความผู้ประสบที่เรา น, นนะีไม่พ้นแล้วเราต้องเจอหรือที่ว่ามากบ้างมากหรือน้อยเท่านั้นเองหรือว่าทีหางผูกกับความผู้ประสบสำคัญแต่ว่าจะได้มาก็ต้อเมื่อเจอความทุกข์ ถ้าไม่เจอความทุกข์ไม่เจอความยากลําบากภูมิคุ้มกันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อกภูมิคุ้มกันเชื้อโรคในร่างกายเราภูมิคุ้มกันเชื้อโรคนี้ดูหลายชนิดภูมิคุ้มกันที่มาจากไหนก็มาจากการที่ร่างกายเราเกิดเชื้อโรคมาก่อนอาจจะเจอโดยไม่ตั้งใจเจอโดยตั้งใจถ้าเจอโดยตั้งใจก็เช่นการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนวัคซีนก็นน ค, นนคือเชื้อโรคอ่อนอาจะเป็นเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือเชื้อโรคจากทางที่มั น, นอ่อนพอเราได้เชื้อแล้ว้าไปร่างกายเราก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะว่ามันรู้จักแล้วมันเคยเจอแล้วถ้าไม่เคยเจอกลภูมิคุค้มกันต่อโรคชนิดนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ตอมก็จะ เ, เจอแล้วมันจันได้ เมื่อจำได้พอเจอโรคตัวใหญ่ๆตัวหนักๆหรือว่าตัวแรงๆดูมคุมกันในร่างกายรก็พอจะรับหนึบางครั้งเราก็รับชีวิตโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นเด็กๆที่เล่นตามตามทรายเล่นกับดินกับทรายเขาก็ได้ชีวิตรือที่เขาไม่รู้ตัว แต่เชื้อที่เขาได้ก็ทําให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้วเด็กที่เล่นแบบนี้ก็สาดมือเล่นน้ำตามด้วยตามสาเก็จะมีภูมิคุ้มกันหลายอย่างอ้โรคประเภทที่คนยังมันเจอเนี่ยหรือเด็กที่รักสะอาดเจอเนเด็กเรานี้ไม่ค่อยเจอโรคมือเท้าปากซึ่งในระบาดเกิดขึ้นบ่อยมาก เด็ที่เขาเล่นกับดินดับซาเช่นเด็กในชน บ, บทหรือว่าเด็กตามาตามเล็กๆนี่นะเขาไม่ค่อยเป็นกันเาก็าได้รับเขาก็มีภูมคุ้มกันแล้วภุมคุมกัน้ก็เกิดจากความไม่ตั้งใจเกิดการเกิดจะวิถีชีวิตที่สัมพันธ์ธรรมชาติเราก็รับเชื้อเข้าไปหรือแม้โตขึ้นเนี่ยเราก็าเราไม่สะอาด หรือแม่อันามาัยเกินไปนะเราก็จะได้รับเชื้อโรคต่างๆท่างจากน้ำจากอาหารถ้ามันก็มีประโยชน์นะมันช่วยทำให้เรามีมุูมคุ้มกันสมัยก่อนหรังก็ลงมลงให้ให้ให้ผู้คนเนี่ยนะอนาาันมัยรักสะอาดนะมีน้ำยาหรือมีสายกำจัดเชื้อต่างๆ อาจจะเป็นสบู่อาจจะเป็นครีมทําความสะอาดผิวหนังทำความสะอาดภ <Yeah. S 1> า, า, าช น, นะทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้กำจัดเชือ้อนะในทุกที่เลยแต่ตอนนี้มันมีการโน้มใหม่ก็คือว่าอย่าสะอาดเกินไปนะอย่าอนามัยมากเกินไปเพราะว่ามันจะปิดท่อทางไม่ให้ได้รับเชือ้อ ซึ่งจำเป็นสำการสร้างขุ๋ย้อกันบางทีก็สอนบนะางทีมีการสอนเด็กนะว่าอย่าให้ให้เจอฝุ่นบ้างนะให้เจอฝุ่นบ้าง <c oughs> เด็วก็ตามโรนเรียนถ้าได้เจอฝุ่นนะตามลานตามที่เล่นเด็กก็จะมีปุ๋้กันมันมีการแคมเปญโฆษณาว่าฝุ่นนี่คือสิ่งที่ดีเดอร์พิส o ูดนะฝุ่นคือความสมบูรณ์เป็นสิ่งดี เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต่อต้านกันมากเราก็เลยขาดภูมคุ้มกันในเชื้อโรคเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นโรคแท้ต่งางๆมาชนิดอันนี้เราว่าจะมีภูมคุ้มกันเชือ้อก็ต่อเมื่อเราจะรับเชื้อในความดีก็เราจะมีคุมคุ้มกันความทุกขก็ต่อเมื่อเราเจอความทุกข์เราเจอความวยากลำบากเราก็จะมีภูมคุ้มกัน ไม่วาเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจหรือไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรตอนที่ได้รับหรือประสบความยากลำบากบางคนก็ยิ้มบางคนก็ข้ามโคลนขุ่นเครือ ง, องแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเรียกว่าเกิดจะเท่าเท่กันนั่นก็คือภูมิคุกันควาทุกความทรบาร ต่อไปพอเราเจอความได้รับสมนองนี้แล้วก็ยินได้ไม่หวนไม่หวนหวาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราก็ดีคนคนคนึนะเขาเคยไปขายทังเรื่องราวของคุณย่าคนหนึ่งนะอายุมากกว่าสิบกว่าที่ยา ย, ยินยา ย, ยินอันนี้คู่กับปู่ใหญ่เลยยา ย, ยินนี่อยู่พิษณุโลก จ่เปลี่ยนตัวไปอยูนะ่บนภูเขาก็ทำสวนปลูกผักเลื้อยเล็น้อยนะอยู่คนเดียวด้วยนะพอวันพระเนี่ยก็จะลงจากเขาเนี่ยมาที่วัดเดินลงมาประมาณสิบหรือสิบ ก, กว่ากิโลเดินมาถึงสีแล้วก็พอเดยวันพระก็เดินกลับ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมีคนเนี่ยลูกหลานะขับรถขับรถแบบกระบะมาอตส่ห์มาไปส่งขนข้าวไปด้วยขนข้าวขนทิพยไปแล้วมุ่งยาก็อยู่นั่นแหละคนเดียวหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็ลงมาจังสล้จก็มีความสุนด้ยิ้มตลอดเวลาจึงได้ชื่อว่ายากยิ้มในกรณีการกระทำว่าเนี่ย ย่าเดินลงมาสิบกว่าลนแก่ก็แก่แล้วชรากไม่ว่าชลาจะไหวหรือไม่ลำบากหรือแต่ก็ต่อว่าก็เคยแล้วหนาพูดแบบคนโบรานก็เคยมาแล้วหนาแล้วผมก็ถามวันเวลาย่าที่เบี่ยงบน อยู่บนเขาเนี่ยนะถ้าเกิดช่วไหนฝนตกเนี่ยไม่มีคนเอาข้ามาส่งหรือว่ารถไม่สามารถไปส่งข้าวผู้ใดได้เนี่ยจะทำอย่างไรย่าก็ว่า ก, กินมากินกรงไม่ลำบากเลยพิธีกรถามแกก็ตอบว่าก็เคยแล้วหนาแล้วเวลาฝนตกเนี่ยเดินลงมาลำบากนะหน้าฝนเนี่ยจะมาจางเสียงทุรักทุเล ย่าไหวเลยม่บอกก็เคยแล้วหนายิ่งว่าจะถามใจงไงแกก็ตอบประโยคน์เดีก็เคยแล้วหนาถ้าแกจะตอบไปก็ยิงไปการที่แกุ้นเคยเลยทำให้ปัญหาทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้ น, นแกนี่นแกเ็นรื่องธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าย่ายินมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ที่แข็งแกร่งแรงมาก ไม่ว่าเจออะไรนะจะถิวจะโหยยังไงนึ่งข้าว ก, กินอย่างไรจะลําบากลำคนรยังไงเราก็ยิ่งได้ใม่หมเพราะเคยและหน า, าความยิ้มมีประโยชน์ความระบะมีประโยชน์ ม, ม, ชนมันทําให้เรามีคุ้มกันยิ่งเจอหลักนักเราก็ยิ่งมีคุ้มกันที่แน่นนาเยางพวกเราที่ท่านมาเดินธรรมยาตาครบแปวัน หว่าท่านนายกนั่นเนี่ยกลับไปบ้านกลับไปกรุงเพนี่ไอ้สิ่งที่เคยเป็นปัญหาสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เราเคยรู้สึเป็นความเจ้ลลำบากมันจะกายเป็นองธรรมาการที่เราเลียงจิตใจไปแต่ก่อนเข้าบ้านไม่อร่อยเลยอยู่ที่บ้านไม่มีไม่มีแอร์มีแต่พัดล ม, มก็บน่นหรือมีแอร์แล้วก็ยังบน่น แต่ว่าหลายคนพอผ่านความยากกาไปแล้วกลับไปบ้านยิ้มได้แต่ก่อนที่สวนบ้านนีไม่ได้หรือแต่ว่าพอกลับไปเที่ยวหลังสวนทบ้านน่มันสวัสดิ์เลยไ ม, ไม่ไม่จําเป็นต้องเข้าเคหะเข้าห้องน้ําเขาอยากเข้าก็เข้าไเล ย, เลยแต่ก่อนห้องน้ําเล็กไปห้องน้ำอ่าไม่้องปลูกกระเบื้องอยางโน้นอย่างนี้ยุ้ยไม่มีเครื่องทําน้ำอุ่น มีเรื่องติเรื่องบุญนะแต่ว่าพอกลับไปทีนี้โอ้พิเศษยินได้อันนี้เราเป็นกุ่มที่ันความทุกมีพุ่กันมีกุ่กันความยลมา่าร้อนแล้วควาทุกมีประโยชน์นะทุกวันนี้คนเราเนี่มักจะชื่นชมเชื่อชูความสะดุกสบายตระหนันความทุกข์จะเป็นเรื่องนึ่งแล มองความยากลำบากว่าเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องหีกเลียงที่จริงเนี่ยมันมันมีประโยชน์หลายอย่างทีเดียวนะแะประโยชน์อย่างหนึ่งที่บอกก็คือมันช่วยสรา้างกลุ่คุ้มกันความทุกข์ความยา ก, กลำบากให้กับเาแต่ประโยชน์มีมากกว่นั้นนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะ ช่วยให้เราไม่ทุกข์ได้ความทุกข์สอนให้เราไม่ทุกข์เพราะอเราก็ความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะเปิดใจให้เราให้เห็นศักธรรมความจริงแนะศัจธรรมหรือความจริงนั่นแหล ะ, ละนะที่ช่วยทําให้เราพ้นทุกข์ได้อาจารย์กำพลทองบุนนุ่ม พิการเมื่ออายุ24นะตอนนี้ก็เกือบ60แล้วช่วงเกือบ20ปีแรกมีนนทรมานมากเพราะว่าพิการตั้งแต่พอลงมาช่วยเือไม่ค่อยได้จะกินข้าวเป็นคนป้อนให้จะข้้องน้จะจะถ่ายหลักถ่ายเราก็ต้องเป็นคนอุ้มเข้าห้องนาำไม่มีทางที่จะรักษา แต่ละวันก็เหมือนกับรอวันตายแล้วก็ถ้าที่ยังไม่ตายล้วิตกกังวลว่าจะอยู่อย่างไรถ้าพ่อแม่หาชิตไม่ได้จะมีเรื่องความทุกข์จากความวิตกกังกลุ่มก็ลปลุกใจกับชีวิตของตัวเองแต่เ็าจะอฏิบัติธรรมได้เจริมสติอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนในสอน พลิกมือไปพลิกมีมานไม่ได้ยกเลยนะเพราะยกไม่ไหวลิกไปพลิกมารู้สึกตัวในเวลาิกพลิกแล้วก็พลิกเจอนวอาไอ้พลิกกนี่เป็นรูปอ้ิกิดมันเป็นนาว์รก็มีปัญญายเห็นรูปนามแล้วก็รู้เลยว่าพิกพิเนี่ยพิกพิการมันเป็นแต่กายพิการไม่ใช่ตัวพิการะแต่ตอนนไปหลงคิดว่าตัวพิการ แต่ที่จริงล้วมันเป็นแค่การพิการส่วนใจไิ่ได้พิการเพราะเห็น ค, ความจริงเช่นนี้จิตก็หลอ่อจากความพิการกายยังทุกข์อยู่แต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์แล้วเพราะใจไม่พิการแล้วก็ชีตก็ติดใจก็มีความเฉืเ่อยชืบบางแม้ว่าชีจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะความพิการก็ยังคงอยู่ อาจารย์กำลังือเพื่อว่าต้องขอบคุณความทุกข์เพราความทุกข์มาสอนให้เรารู้จักทุกข์แล้วก็เห็นทางพ้นทุกขนะ์ความทุกข์มาสอนให้เรามาสอนให้รู้จักทุกข์นะทําให้เห็นทางพ้นทุกข์ทุกข์มันสอนธรรมนะเพียงแค่เรา ถ้าเราไม่คห้ข้ามคนเวลาเจอทุกข์นะแต่เราลองพิจารณาความทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถจะทำให้เห็นธรรมและก็ยุติอากวามทุกข์ได้ในสารวัตการมีพระอัยยมุคคลพระเรยจ้าแล้วก็พระอาหารหันต์หลายท่านที่ท่านบ ร, รู้ธรรมได้ก็พอเจอทุกข์เต็ม เช่ น, นางกฤสาก็จะมีนางปตจรานางกฤสาก็จะมีเสียลูกที่กำลังน่ารักนางปตจราหนักกวนั้นนะสียทั้งลูกเสียทั้งสามีเสียทั้งพ่อแม่ในเวลาติดๆไล่เลี้ยงกันนะแต่ปรากว่าไอ้ความสูญเสียเหล่า น, นั้นเนี่ยทีแรกก็ทําให้ รู้มอกุมใจทำให้ย่อเกือบจคลั่งไร้สติไปเลยเสียผู้เสียคนไปเลยความทุกข์ความชั่เสียที่เกิดขึ้นแต่่าได้สติจากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเน่รากว่าก็บรรลุธรรมเป็น้าตโสดาบันเพราะว่าได้เห็น สัจธรรมจากความทุกข์อย่างนางกิสากรตมีเนี่ยก็ได้ฟังมถามจากผู้เจ้าว่าความตายแบบพักผาผู้ที่ติดในทรับติดในรูปเนี่ยเช่นเดียวกับน้ำฝ่าที่พักผาไู้ที่ความตายนี่ยอมพักผาผู้ที่ติดในรูปในทรับ เช่นเดียวกับน้ำตาที่พักคาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นความที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีสติเห็นมันเนะี่ยปัญญาก็เกิดนกกระเจิดกาลาเป็นเช่นเดียวกันครูเจ้าก็สอนเตือนให้เห็นว่านะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับ น, น, นางเนี่ยนะ้ำตาที่ไหลาออกมาเนี่ย ชาติละชาติเล่าลงกันแล้วเนี่ยมันพอๆกับน้ำแม่น้ำสมุทรเมา่อประชาชนเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดความ น, น่ายในในสังคารในสัมสารวัตรเิดผลหลุดพ้นในระดับหนึ่งนะยังไม่ถึงหลุดพ้นห่นะสิ่งข้าศนดาบ ส, มมานะสังเกตยมมาสูญเสียนานสนุ่ม ที่มาที่มาไล่รังเจ็ดวันเ็ดคืนท่นนานกำลงทำงานหนักมากนะเจ้าท้านตายต่อหน้าต่อตายท่านต้องยังห ก, ก็เสียใจมากนะแต่พอได้เจอพุทธเจ้ารงได้ชี้เห็นนะถึงโทษของสังขารโทษความยิดมั่นถือมั่นจิตก็หลุกพ้นเป็นพระอรห พระติสาเทสะนี่ป่วยนะก็ยัาตาละป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียแผลผู้พองเต็มตัวน้ำเหลืองไหลนอนตรงอุจราปโสร์วะจนกองอุลาปโสว์วรเรืว่าเนื่นกมากแม้จต่ข้าก็ดูแลไม่ไหวแต่พาาพอพระฤองค์มามาสอนมามาดูแลทีแรกมาดูแลก่อนเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ อาจีวนไปซักไปต้มพอติดใจแม่งจะรู้สึกสบายขึ้นโรคก็แสดงธรรมว่าเหีร่างกายมันไม่เที่ยงไม่นานนะมีแนก็าจะกล้าคนก็จะรักทิ้งจิงตอนนั้นก็ต้องนอนทับซึ่งแผ่นดินนะเหมือนท่อนไม้อาประโยชน์ไม่ได้ ก็เป็นความทุกข์รวนนะแต่ว่าคราวนี้ป้าติดตามทานพิจารทนก็เกิดความเป็นโทษของสังขารร่างกายจิตท่านก็หลุกคนเกิดปัญญาจิตก็หลุกคนเลยเป็นพรหัสในขณะที่สิ้นลมนั่นเองให้เจริญไว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทุกท่านที่กล่าวมา แล้วมันจหนักหนาสาหัสมากนะขณะที่ทำให้เกิดจะเป็นวิกฤติปเดนเลยแต่ว่าพอได้สตนะิให้ความทุกข์ความพักพรา่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนีก็สามารถจะเป็นวัตถุดือดหอุปกรณ์หังดีที่ช่วยทำให้คนทุกได้านนะทำให้เกิดปัญญา ความเจ็บความป่วยนะความพักราสูญเสียความชราแม้ระทั่งความตายนะที่เราเรียกรวมว่าทุกเนะี่ยมันสามารถเป็นปัจจัยส่งผลให้จิตอุดพลังจากความทุกข์ไดนะ้เพราะว่ามันได้สอนมันได้สนแสดงสัจธรรมให้เห็นเมื่อพิจารณากา็เกิดปัญญาไมื่เกิดปัญญาจิตก็ปลุกพลั ในจึงในจึงพูดได้ว่าความทุกข์เนี่ยมันก็สามารถช่วยให้เป็นทุกข์ได้ถ้าเรารู้จักมองรู้จับที่เจอมาหรือวางท่าที่ถูกต้องส่วนใหญ่เวลาเจอทุกข์แล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยเป็นทุกข์ทันทีเลยพอเจอทุกข์ก็เป็นทุกข์นะหลวงพ่อเป็นท่นสอนว่าเนี่ยให้เห็นอย่างเขาเรียกเป็น อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆสัส้าๆและวก็ลึกซึ้งมากในการที่ทําให้เราใช้ปรือยชนความทุกข์คือแทนที่จะเป็นทุกข์นะก็เห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์มันก็จะเห็นสัจธรรมจากความทุกข์ซึ่ที่จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูเจ้าได้สอนเอาไว้นะว่าทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ที่ท่านใช้เราว่าป ร, ริญญาป ร, ริญญาก็หมาย การที่รู้ด้วยนะปริญญาเราไม่ได้ใช้เราใช้กับทางโลกเราก็ใช้กับคนที่สำเร็จการศึกษาทางโลกระดับศึกษานะแต่ว่าเป็นปริญญาหรือความรู้ในระดับสมองก็าปริญญาที่พระเจ้ารู้ถึงเนี่ยเป็นการใช้ใจใช้ใจเข้าไปรับรู้โดยมีสติเนี่ยเป็น เป็นตัวช่วยที่สําคัญเมื่อทุกเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีสติก็เป็นทุกข์ถ้า ม, มีความสุขตัวก็หลงเข้าไปในความทุกข์แต่ความมีสติมีความสุขตัวมันก็เห็นทุกข์พอเห็นทุกขนะ์นก็จะเห็นสัจธรรมที่ความทุกข์แสดง ให้เห็นว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยสังขารนี่มันเกิดไว้ได้ทุกข์ก็ช่วยทําให้จิตบลุพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เป็นเป็นคุณประโยชน์ที่สําคัญของความทุกข์มันไม่ใช่แค่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ใหกับเรา ชื่อประโ์อันนี้เกิดขึ้นได้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรืผู้ใหญ่ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าถ้าเรามีสติมีความสึทตัวรู้จักไข้ควร พ, พิจารณาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้ประโยชน์ที่ยิ่งกว่านั้นทำให้เราสามารถจก้ปัญนสัจธรรม อันนี้เป็นผลที่พูเจ้าเนี่ยสอนว่าทุกนี่เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะรู้นี่บางทีก็แปลว่ากำหมดรูอ้พอแปลว่ากำหนดรู้บา้ทีเราก็ไปก็จ้องห ม, ามาถึงการไปเพ่งไปจดจอจริงบำบัดเป็นการที่เรามีสติมีหรือใช้ปัญญาเพื่อพิจรารณาความทุกข์เริ่มต้นจากการที่มี สติรู้ตัวก่อนเวลาทุกข์เกิดเนี่ยไม่เป็นทุกข์แต่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นรู้ว่าทุกมีแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์อันนี้ก็มาใส่สติแล้ถ้าแล้วมือมีหรือใช้ปัญญาพิจารณาใครควรความทุกข์ก็จะถอนคได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นทุกข์แต่เป็นทุกข์ ไม่ได้ใช่เกินความทุกข์แต่ว่าคร่ำครวนเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะมันสามารถจะพาเราไปสู่ทางที่เป็นอกุศลได้หรือว่าทำให้เกิดอาการเสียสูญเสียผู้เสียคน บางคนก็หลงพลัดเข้าไปในอบายมุกไปหาเล่าไปหายาเสพติดเพื่อทีกับทุกข์หรือว่าไปหาความศึกทางการเพื่อที่จะช่วหรือความทุกข์ที่หนักก่านั้นก็จะทําร้ายตัวเองหรือว่าไปทําร้ายคนอื่นด้วยความโกรธแทนเพียบาปนั่นเป็นทางแยก ทางที่หนึ่งแต่ทางแยงที่สองเนี่ยมันเป็นทางแงความรู้ตัวความมีสติทา ง, งปัญญาเป็นทางที่ช่วยให้ออกจากความทุกข์ได้ทางหนึ่งทำให้ทุกข์หนักขึ้นแต่ทางทำให้พ้นทุกข์ได้ไอทางแยกนี้มันอยู่ที่ไหนมันเกิดขึ้นจากอะไร มันอยู่ที่ว่ามีสติมีความสึกตัวหรือว่าขาดสติหรือว่าลืมตัวถ้าเจอทุกข์แล้วขาดสติแนละ้วก็เป็นทุกข์เลยแต่ถ้าเจอทุกข์แล้วมีสติเห็นทุกข์ก็อาจจะเกิดปัญญาแต่ละปัญญานั้นเนี่ยมากพอก็สามารถจะทำให้คนทุกข์ได้ เพราะนัเป็นเราเราจเจอทุกเงื่จะไปปฏิเสธนะอยาะ่าปฏิเสธแม้ว่าความทุกขนั่นจะมาในรูปของความจ็ดความค่วยความพักราบสูญเสียหรือแม้กระทั่งความตายมันสามารถจะเป็นมันสามารถจะสอนทำให้กับเราได้สามารถจะเปิดประตูใจให้เราได้เห็นสัจธรรมได้ เราใส่จะทาให้ทำให้คนทุกข์เราต้องวางใจหรือมีท่าทีต่อความทุกขให้ดีถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องถ้าเราเจอทุกข์ก็จะพบธรรมาเมื่อพบธรรมาแล้วให้ความไม่ทุกข์ก็จะพบดเรากดจลาลที่หลวงพ่อความเขียนท่านพูดอยู่บ่อยๆนะว่าในทุกข์มีความไม่ทุกข์ หรือท่านพู้ว่าเปลี่ยนถ้อยใจในความไม่ทุกข์เนี่ยก็คือ น, นี้แหละนะในทุกเนี่ยถ้าพิจารณาไข้กวนก็จะเห็นตัวสมุทยัยคือเห็นแห่งทุกข์แล้วถ้าเรารู้จักเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความไม่ทุกข์มันก็แสดงตัวออกมาเช่นทุกข์เกิดจากความความยึดติดหรือมั่ง เวลาเราคุ้นใจไม่ว่าในรื่นไหนก็ตามเนี่ยลองสาไปเรื่ๆนะจะพบว่ามันมีความยึดติดถือมั่นอยู่เรื่องอุปทานถ้าปล่อยทวางไม่ยึด ไ, ไม่ไม่ไม่ยึดติดถือมั่นต่อไปนะมันก็หมดทุกเนีหรือไม่มีทุกเกิดขึ้นก็คือพ้นทุกนั่นเองในทุกเนี่ยมัน บอกทางค้นทุกให้กับเราถ้าเรามีสติใช้ปัญญาแคลนโกลนทุกขกความไม่ทุกข์กมนอยู่เดยกันนะเหมือนกับสวิตไฟที่ใช้ดับไฟกับใช้ให้ความสว่างกับเราเมันก็มาจากสวิตตัวเดียวกันสวิตที่ทําให้ ห้องประชุมนี้มืด ก, กับเซอที่ทาให้เกิดความสวา่างในห้องประชุมนี้เนี่ยนะในศาลานี้มันก็คื อ, ซอเซฟตัวเดียวกันดูกุิแจที่ทำให้ห้องเนี่ยมันเปิดออกมาทำให้เราเป็นอิสระกับูกลิแจที่ขังเราเอาไว้ มันก็เป็นรกบ์ิตใจเดียวกันสวิตสามารถทำให้เกิดทั้งความมืดและความสว่างได้ฤกบุญิใจสามารถทำให้ห้องกลายเป็นุกหรือว่าเปิดอิอสระท้าวกับเราได้ในตอนเดียวกันนะในทุกเนี่ยนะในด้านนี้ก็สามาร ถ, ถจงจำผู้คนให้จมอยู่ในอบายในอกุศลแต่ว่ามันก็สามารถที่เกิด ชี้ช่องทางให้เราเป็นสลนะจากความทุกข์ได้เมื่อเรามองเห็นความทุกข์ในแง่นี้นะก็เชื่อว่าการไม่หลเนี่ยไม่ปฏิเสธไม่ขักสายไม่ันร้ายความทุกข์เพราะถ้าเราหันรายความทุกข์เราจะรู้จักทุกข์ได้อย่างไรและถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราจะเห็นทางข้นทุกข์ได้อย่างไร เพราในเวลาเจอทุกขนี่ก็อย่าอย่าเบือนหน้าหนีอย่าถอยยอมรับแล้วก็พิจารณาเอาสติเอาปัญญาเข้าไปเข้าไปเข้าไปพิจารณาทีแรกรู้ทุกขก่อนรู้ทุกข์ด้วยสติแล้วใช้ปัญญาคราคปวดความทุกข์ก็จะเห็นธรรมและทุกข์ที่เราประสบตลอดทางที่เดินธรรมยานการมันสามารถจะสอนธรรมให้กับเราได้ทั้ง น, นั้น มันไม่เพียงแต่ทำให้เรามีปุ่มป้องกันความทุกข์มันไม่เพียงแต่ปลุกใจให้เราเข้มแข็งอดทนมันไม่เพียงแต่ทาให้เรามีความเข้มแข็ ง, ขงในร่างกายจิตใจมากขึ้นเท่านั้นแต่มันยังสามารถจะสอนทำให้เราได้มากมายโดยว่ัตถุที่ช่วยเราครรทุกได้เอาละชาติเราพูพ้ให้ดีนะสาธุ